ตอนนี้ไปทุกคนพกากษ์คากาสงบจิตใจฟังธรรมวันนี้เป็นวันที่ห้าคำหรือเป็นวันพระใหญ่จะเป็นวันสำคัญที่พวกเราจะต้องมาให้ทานอศาศษาศีลเจริญภาวนาอาการที่พวกเราทั้งหลายได้ทำอย่างนี้เรียกว่าสั่งสมคือสั่งสมบุญกุศลโดยการให้ทานการ ภาษาศีการเจริญภาวนาหรือการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเราทำสม่ำเสมอมากเข้ามากเข้าเดียก ว, ว่าสั่งสมเหมือนกับเราเอาวัตถุสิ่งของภายนอกเอามาใส่ทีละน้อยแต่น้อยรวมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอ ม, า, ม า, าสั่งสมไว้หลายอันหรือมิฉะนั้นก็มือนกับว่าก็ตักน้ําใส่ใส่องค์ตักใส่ทีแล้ว แก้วทีตะกทีเนี่ก็ใส่ว่าเข้ามาเข้ามันก็เต็มอันนี้พะระดียวย่อมงสอนที่พวกเราสั่งสมบุญทีละน้อยละน้อย mm hmm. ก็แปลว่าเทาเราทำละทีละน้อยละน้อยไม่ใช่ทำตลอดจนจนไม่หายใจเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ทําม่ทีละน้อยละน้อยก็จะช่วงวันหนึ่งหมายว่าสิบสี่สิบห้าวัาวนค้างหนึ่งตลอน อันนี้เป็นฝ่ายทานนะ้วศีส่วนฝ่ายภาวนาไม้นะ่ยเราทำขอนนอนเติม น, นอนทกวันอย่างนี้ก็เรียกว่าสั่งสมคือเก็บหอมลอมริบไว้เพื่อมันมากเข้ามากแล้วพุทธิจารเปรียบเชื่ว่าการสั่งสมบุญที่ได้น้อยที่ไนน้อยไว้มากมากเก็บเหมือน กับหม้อน้าที่ก็เปิดปากแล้วก็ตั้งไว้กลางแกงตั้งไว้ที่กลางแกงโลกฝนตกนาทีได้โยดได้โยดได้โยดก็สามารถทำให้หม้อน้าแล้วเต็มน้ำได้ไปต่อไปอาศัยคาสายาสายค า, าที่ไหนลรกมันก็ตกโรงใสหม้อน้ำนั่นเลยทีนี้ถ้าว่าหม้อน้ำที่อยู่สา ย, าสายคาทียังอาศัยสายคา ตกสายสายขามมันรวมกันแล้วมันก็เป็นลงที่ที่มอน้ำแต่ในมอน้ําตั้งอยู่เฉพาะเอกประเทศของมันเองน้ํำหยดมาทีใดหยดแล้วโยวดไปสายก็เต็มได้เหมือนกันไหนมันจะนานหน่อยแต่ว่าเมื่อตกลงทวาหทวก็เต็มได้นล่นะสังสมบูรณ์กุศลก็เหมือนกันก็เหมือนกันสังสมมาเข้ามาเข้าก็มาเข้าบางครัง้งบางครัง้ ง, งก็พังเออไปบ้างบางครั้ง บางครั้งก็ทำผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำบุญแะเพาบางครั้งบางครงาวพระทเจ้าขอตัดเตือนตั ด, ต ด, ตดสอนมัวทำทั้งหลายพากันอาศัยสโลพาโทสะมุหะเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องหนุนทำบุญทำปุถุนต่อไปก็เนิปว่าวา เราจะอยู่โดเ ด, โดเดียวโดดเดียวโดยไม่การกระทํำไหนทุกอย่างหรือย่างนั้นบางครั้งบางค่าวเหมืนเทาว่าบอกให้มันมีบาปสักหน่อยบางทีมันผิพลาดเป็นบาปไปเหมือนกับเหม็น ก, นก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําบุญแทนให้มันมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับแล้วพุทธเดียวก็สอนพวกเราให้นําไปเปรียบเทียบ ว่าสม่วบุญกับบาปอ่าเอาเปรียบเทียบกลือกับน้ำสม่ว เ, เกลือสักแก้วน้ำานึน่งเกือใส่แก้วเดียวแล้วเอาน้ำน้ำสักตมหนึ่งองไก่แล้วเอาเกลือใส่เข้าไปกแก้วเดียวในองค์หนึห่งเอาย่อให้เกลือละลาย แล้วก็ไปตักเค็มน้ํำดูมันไม่เค็มที่มันไม่เค็มนัก็เพราะน้ํามันมากไอ้บุญกุศลที่มนุษย์ทั้งหลายทําบาปที่มนุษย์ทั้งหลายทำ ก, กันมือกันที่ผสมผมเปกันนะบางครั้งทำบาปมันน้อยไปเอา้าบุญมันมากเลยมันกะไม่รู้สึกตัวเองไม่รู้สึกว่ามันมีบาปในนั้นแต่ว่ามันก็อยู่ในนั้นนะบาปอะไม่ไปไหนหรอก ก็เมือนกับว่าเือที่ใส่น้ําทั้งแท้งมันไม่เค็มเลยถามว่าเกล อ, อยู่นะก็อยู่ในน้ำนี่แ mm hmm. หละเศษบาปเศษกรรมนั้นแหละเมื่อบุญกุศลทั้งหลายที่ตัวเองให้ให้ผลมากมากเข้ามากเข้ามาเข้ามาันให้บุญกุศลนั้นมันหมดแล้วมันร่อยหลอแล้วบาปมันเหลือมากเราทีนี้เหลือมากเรามันก็ให้ผลนล้วทีนี้ ก็เป็นเหตุแมูลอะไทั้งหลายทุกยากรรมบากดังนั้นหนักกรรมที่พุทธีเจ้าสอนเพื่อจะให้แก้เวรกรรมแก่ตัวตัวว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาท่องเที่ยวสังสารวัตรยอมทำบุญและบาปผสมกันหรืออย่างพวกเราในขณนะที่เกิดมาเป็นน่วนหรือขณะ น, นี้เบื้องต้นเราก็ทำบาปกันเ่อะยะไปเมามารู้สึกตัวแล้วจึงมาทาบุญกัน ยังมาให้ทานมารักษาสิ่งม่ใจ่เรียนภาวนากันแต่เบื้องหลังก็ทําบาปกันมาเยอะแยะฆ่าสัตว์ตติวิหารเยอะแยะทําบาปมาบาปที่เราก็ทำแล้วแล้วทั้งหลายเ่านั้ น, นะจะเอาไปที่ไหนก็เป็นบาปที่ได้ทามาแล้วบาปในฆ่าสัตว์เยอะก็ได้ฆ่า ม, มาแล้วที่เราทํามาแล้วอาจจะปฏิเสธว่าเราไม่ฆ่ามันแต่ทาไม่ได้ เขาเป็นของสิ่งที่เราก็ทำมาแล้วอย่างที่จะมาเคยเล่าฟังเมื่อก่อนนะแตมายัางไม่บวชไปทำนาก็มีวัวมีควายใช้วัวใช้ควายใช้หัวหลักล้อลักเกวียนใช้ควายไถนาบางทีควายมือถูกใจกัไม่แท่ล่าเอาวัวม่ถูกใจกันวยไม่แท่ล่ำเอา มันก็จเจ็บปวดเขาเหมาือนพอจะมาบมาบวชเขาเราได้สักนูกนจะเป็นพรรษาที่เจ็ดบวชเป็นพระสมัยมาอยู่เชียงใหม่นี่ยังยังยังไม่ปรากฏเลย ท, ท, ทยมมั้งทังทีไหว้พรสวดมนต์บัางพรวันั้นก็ทําอยู่แต่ยังไม่ปรากฏกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านเอาปรากฏแล้วตินี่ เออได้นอนหลับเมื่อคืนวันไหนก็ฝันเห็นแต่วัวแต่ควายที่เคยได้ใช้เขาเนี่ยไม่หายสักทีติดต่อกันยเงอะมาคิดว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรอาราไปถามอาจารย์อาจา ร, จารยาร์เป็นไงเป็นผลท่านว่าธรรมอารมณ์อารมณ์เก่าใช่แล้วธรรมอารมเก่าธรรมาจาึงไม่อยู่สักทีไม่จบสักทีเอตอมาก็มืนนั่งภาวนาปากพิจารณาทาไมเป็น ก็มันเลขึ้นมาเอ้เขากุญแจหมูสัตว์ทั้งหลายนี้คงอยากจะได้บุญในกุศลด้วยนะทางแต่านั้นมาก็เลยนั่งหอนะนึกแผ่เมตตาแผ่กุศลกับจัขอส่วนแผ่บุญบูกุศลในการไหว้ผ้าสดมลนั่งภาวนาหรือในการาวันประชานบุสมบูรในศาสนาเนี่อุทิศกุศลนี่สัตว์สัตว์ทั้งหลายมีบุกมีมีวัว ม, มีควาย ทางหลายที่ได้ใช้ได้ซอยเขานี่นให้ได้รับส่วนบุญส่วนเถอะเนื้ออย่างนั้นทุกวันทุกวันเดี๋ย ว, ว, วหายเงียบหมดเลยไม่มีเลยมาถึงขนาดนี้ก็เงียบเลยไม่มีแสดงว่าสัตว์ทางหลายเหล่านั้ น, นมันก็แด่นมูธนาไปแล้วคล้ายๆกับมันมีสิ่งเกี่ยวข้องกันสัตว์ทางหลายเหล่านั้นมันมีเชกสิ่งเกี่ยวข้องกัน ป, ปัวปัวพันกันมันก็คลอง แต่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วห่ะไม่มือเหลือแล้วในวิญญาณนะนะนะั้นน่ะมันาเกี่ยวข้องกับกัจจัยเพรฉะนั้นหลักกรรมนั้นเราจะแก้ในทางอื่นไม่ได้ต้องแก้ใ น, นหลักของภาวนาใหมา่คือแก้จิตใจของเราเพรานันว่าให้พ้นเวรกรรมต้องแพลพ้นที่จิตใจต้องใจของเราพ้นเวรกรรมนั้นนั้นกรรมนั้นมีสองอย่างคือกรรมดี และได้ทํากายกรรมวจีกรรมในทางที่ที่ที่ที่ดีที่ถูกต้องหรือกรรมชั่วกายกรรมวจีกรรมในทางที่ชั่วอือหรือมโนกรรมในฝ่ายที่ชั่วอ่าในทางที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตฝ่ายฝ่ายดีก็กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันเป็นฝ่ายดี มันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้นถ้าเป็นฝ่ายกรรมฝ่ายทุจริตทํามันไม่ใช่กรรมที่เป็นผูกพยาบาลอาฆาตนงไม่เรียกว่าเวรถ้าเวรนั้นเป็นเป็นสิ่งที่อาฆาตมาด้ายสักกันนะกันหรือบางอย่างที่ทําลงไปแล้วมันเป็นเวรแม้ไม่ได้ผูกอาฆาตมาดลายมันก็เป็นเวรกรรมห้าอย่างมันเปนท่านอย่างกรรมกิเลสเป็นกรรมกิเลดฆ่าสัตว์รักสัตท์ประพฤติปีในกรรม อันนี้ว่าจุตว่าเป็นกรรมกิเลสเป็นกรรมกิเลสกรรมที่ต้องติดตามถ่าสัตว์สัตว์ถ้าจึงเป็นสัตว์ที่ใหญ่ใหญ่ก็ยิ่งมีมันก็มีความอาฆาตรู้ภาษามนุษย์มากขึ้นสัตว์ที่นี่น้อยมันได้อาฆาตแต่ว่าตัวเองก็ต้องรับผลอย่างเดียวกันคือว่ามันเป็นการรับผลต่อกันแต่ว่าเราเคยฆ่าเขา แต่ฆ่าเขาเดืินก็ตามแต่ฆ่าสัตว์ต่างหๆตามก็ตามแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องถูกฆ่าเหมือนกันมันจริงไหมว่าเวนมันไปตอบคำตอบกันเองที่บางอย่างน่ะเวนกรรมอันนั้นหมายถึงก็ผูกอาคาดกันไว้ผูกอาคาดกันไว้ว่าชายคนนี้ถูกชายคนนั้นฆ่าหือถูกเขารักทรัพย์สินอถูกอาคาดไว้ เรามีโอกาสเวลาเมื่อไหร่เถอะเราจะต้องแก้แค้นออย่างในนักผูกไว้อย่างนั้นมัต่อต้างกันทีเอาตัวต่อตัวนั่นทีเี่ยผูกไว้กับคนใดก็เล่นงานกับคนนั้นไม่ไม่เปลี่ยนตัวอันนี้เวร์กรรมถ้าเป็นเวรแล้วมันไม่มันไม่เปลี่ยนตัวว่นายกผูกในายอทำประทุศร้ายนายขอผูกอาฆาตไว้กับนายกนะในชาตินั้นนะ นายกชนะไปนายขอแพ้ตายไปไปชาติหน้าเอานายขอชนะแล้วสิแี่นายขอก็ต้องฆ่านายกนายก อ, ก, อก็แพ้เอานายก็ผูอาฆาตไว้อีกต่อไปกัเล่นงานนายขอเองไม่จบไปสิ้นสักทีไอเวรกรรมถ้าเวรกรรมถ้าเวรกรรมอย่างนี้นะ ต่อกันอยู่นั้นมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงไม่จบไป่สิ้นอย่างนีน้ถ้าไม่เจอผู้ดีท่านเนะนําพัมสอนให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วไม่พนเวนกลับแต่ว่าถ้าไปเจอท่านผู้ดีรู้เห็นว่าพวกเรานี้มันอาฆาตมาได้ซึ่งกันและกันเรียกเขามาเจราจาให้เขาตกลงกันแล้วก็ขอโทษขอไปขออโหสิกรรมต่อกัน กำกาลังนับเพียงไม่ต่อแต่พลาดเลยนะับอย่างนั้นก็มันก็ต่ อ, อยืดเสร็จก็อย่างที่นิทานในชาดกที่ปุตติเรื่องว่าเมียหลวงเมียน้อยมันไม่จบไปสิน้นทางแรกก็ะเมียหลวงหมาเมียหลวงมาได้ได้เมียหลวงไม่มีลูกไอแม่ผัวเนี่ยแม่ผัวตัวสำคัญนะักอยา ก, กได้ได้ลูกได้ล้าน ไ, ไว้อุ้ม มนี่ยให้ลูกชายหาเมียใหม่บอกว่าเมียคนนี้มันบมีลูกหาลูกสะพ้ายคนใหม่ให้ลูกกันเกงใจเมียบอกก็อย่าเลยแม่อย่าเลยยุง่งยุ่งยากแม่ทำไมฟังคงําถือเขาจะเปล่งเป็นแม่ดันไปหาลูกสะภ้ามาเองหาลูกสะพ้ามาให้ลูกแม่หาไม่ลูกก็ต้องรับเอ้า เอามาปเป็นเมยก็ได้ลูกไงพอเกิดลูกเท่านนั่นเมียหลวงที่ไหนเมียเดิมเจ่าอยู่บอกว่าถ้ามันมีลูกมันได้ลูกมันจะใหญ่กว่าเราก็กทํายาให้มันกิน่ให้มันกินทําลายลูกในท้องอสองครั้งสามครั้งที่เมียหลงมันทำลูกตกไปทุกครั้งนี่เมียน้อยมันรู้เรื่อง บอกว่าเอ้ยมีหลวงนี่ไม่แย่เลยมันทําลายเราอไอ้ต่อมาแกก็ระวังตัวแต่ระว่างมันไม่ทันจนคันแก่แล้วเต็มที่แล้วจึงรู้ตัวเองว่าจะของจะตายเพราะาผูกยาพิษที่มีหลวงให้กินจึงาาลูกอาฆาตไว้เออมันในฆ่าเราในฆ่าลูกเราสองครั้งสามครั้งนี่แล้วครั้งที่สามนี่คืตอตัวเองก็ต้องจะบต้องตายต่อไปให้ข้าไปเจ้าเองได้ แต่ฆ่ามันกับลูกของมันด้วยนะนั่นแนหะความผูงอาคติอะไรอย่างเง้ยนะต่อเข้าไปเรืยเปลี่ยนกันไปทีพ่อเมียพอเมียน้อยตายพับตายก็ไปเกิดเกิดเป็นแมวเป็นแมวในบ้านนะเนนี่ยส่วนเมีหลวงหัวรู้เรื่องเมีหลวงได้ทำอย่างเงี้ยหัก็เล่นงานะเราทั้งสอกทั้งเขาทั้งเล่นเมวเมีหลวงเอาตาย ตายก็ไปเป็นไก่ในบ้านนั่นอีก อ, อกะกไอ้พราไก่ออกลูกเมื่อไรออกไข่เมื่อไรแมวก็ไปกินแมวก็ไปกิน ก, กินที่ไหนก็กินอย่างงั้นไก่ก็ผูกอาฆาตแล้วอีกก็ต่อกับเกลียนชาติกันดีน่ะจากไก่ไก่ตัว น, นั่นนะไปตายไปเป็นเสือไอ้แมวเนี่ยตายเป็นเป็นเนื้อเป็นกวาง อายในเมื่อกวามมันอากลูกเมื่อไรเสือก็ไปกินลูกมันตลอดเวลาความมันก็ผูกให้อาคาดไว้อีกสองครั้งสามครั้งหผลสุดท้ายกระทั้งสองคนน่นนะตายไปเป็นไอ้คนหนึ่งตา ย, ป ย, ยปเป็นแยกศรีแยกศรีไปเป็นแยกศรีเขาจะเป็นเมียเ ป, เป็นเมียน้อยเนี่ยให้เป็นยักศรีส่วนมหลวงเจอ ก็เป็นนางกุรัิดาในตระกูลหนึ่งอันนี้จะคลอดลูกเมื่อไหร่พอคลอดลูกพอได้ท้องคลอดลูกแล้วก็นางยุสินีมันปกติไม่ได้เห็นมันอ่ะอืาถึงเวลาเขาปรากฏ ต, ตัวหเห็นมาก็มามาแสดงตัวเป็นหญิงสหายคนใดคนหนึ่งไปเยี่ยมกําลังคลอดลูกอยู่ในห้อง อ, อ๋อไปเยี่ยมสาขายเราเนะ่ะ พอเข้าไปเห็นน่องแล้วจับเด็กน้อยมาฉีกกินฉีกกินสกนส่นสงเด็กเปิดหายแยบอ๋อที่ไหนได้เป็นแยกที่นี่มันดีคนผลจนท้ายเร็เกิดมีท้องที่สองอีกมันกูและจีดาที่สองก็แยกทิ่นี่ก็มากินอีกอันนี้ครั้งที่สามมันก็และจีาบอกเอออยู่บ้านนี้ไม่บอกไหนละจะไปไป อยู่บ้านปู่ดีกว่าชวนผัวไปอยู่บ้านปู่บรญญานุเอาท้องแก่แล้วก็คลอดลกูกผลคลอดลูกออกมาเอาคลอดลูกออกมาเพราะดีระหว่างนั้นว่าหนังยยกิรีนั้นอยู่ในระหว่างที่วาละที่จะอาบน้ําส่งให้เวสวร์ขาเวสวร์ทึ่เป็นพระราชหาม า, หาราชสีอยู่ในทิศอุดรนี่ อาวยสว่วนตักน้ําจากสานดาัดไปให้้าวเวสวน์สามเดือนหาบน้ําไปก็สามเดือนนะจะทํางานอย่างนี้นะสามเดือนในยักษินีเนี่ยนกกายบางบางยักษีนีตอนตัวน้ําบอบช้ําตายแต่ว่ายักษีนีตัวนี้ไม่ตายเพราะเวณคําที่ผูกไว้เพราะพลเวณ น, นี้พับรีบมาเลย มาก็ไอนางกุลสิรานี่กลับไปออกลูกแล้วออกลูกแล้วจนลูกกําลังกินนมอยู่ความพอดีพ hmm. ่อ ข, อ, ขอดลูกเส ร, ร็จสับก็กลับจะกลับบ้านนะเอา้าเราออกลูกแล้วกลับบ้านนี้กว่าอพอดีกลับมาว่ามาใกล้วัดเชธวันพอดีวไหววัดเชธวันหนึ่งเศรษฐีนามวิกาชั่นสร้างสระน้ำไว้ สะน้ำใหญ่โตมากมีน้ำคนลงอาบได้แกก็เลยลงอาบแล้วลูกให้ลูกอาบแล้วก็แลก็ลกขึ้นมาอุ้มลูกแทนผัวแล้วก็ให้ผัวลงอาบอายักษ์ินีตัวนั้นออค้นวันแล้วก็รีบมาไม่เจอกันที่สระน้ำพอดี หญิงผู้หญิงคนนั้นพอเห็นนางยึดศีลเนื้อจำได้ว่านี่ยักศีลแต่ก็วิ่งอุ้มลูกวิ่งเข้าไปวัดเจดวันนน่วิ่งเข้าไปในวัดเจดวั น, ว ข, น, ววนขอความช่วยเราขอพระภูมีพระพุทธเจ้าช่วยหลือเขาไปยาวให้ชีวิตแก่ลูกเขาไปจ้ายบ้างคนนั้นนางกุลสิดานะก็อุ้มลูกชายก็ไปไหว้พระพุทเจ้าเอาลูกชายไปไปวางไว้ดึกใกล้ๆใกล้ฝาดของพุท ฝ่าเท้าของมุติยานน่ยส่วนนางยักษินีตามไปมันเข้าวัดเทตะวันไม่ได้เพราะว่าสมเทพเทพที่รักษาประตูนั้นไม่ยอมให้ยักษินีเข้าไปไปได้อยู่แค่นั้นพระมุติยาน์รู้เรื่องว่ามันพวกนี้มันก่อเวรก่อกรรมขึ้นมามุทิยาน์สั่งอานอนไปเรียกอนานังยักษินีนมา อ้าผ้านนก็ไปเรียกยักษินีมานางกูเล็กดบอกยักษินีมาไปจัง่ะเออ ไ, เเอไม่เป็นไรเธอไม่ต้องกลัวแล้วไม่มีเปนตรายลูกเธอไม่เป็นไรละมันมานี่เราจะสอนหาญักษินีมาพทุทธีจะสอนเอ้โหเธอทั้งหลายเนี่ยทําไมยึงก่อเวรกอกบซึ่งกันและกันอย่างนี้ไม่จบไม่สิจทีแล้วหยุดระงับเสียตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป พอท่านทั้งหลายก่อเวรกอกรรมกันอย่างนี้ก็เหมือนกาเวรกรรมของตั้งอยู่ตลอดชั่วครั้งเหมือนเวรของกาคำลุกเขางูเห่ากับกังกอนหมีกรรมับไม้เสก้อเงี้ยมันตั้งมีเวรกันกระดดกันนี่ที่ชาวเห็นนะี่ยโอเป็นจริงๆด้วยหมีกรรมับไม้เสก้อนะหมีกรรมับไม้เสก้อไอหมีเนะี่ยขันเห็นต้ น, มนรรมไม้เสก้อไม้ มันขึ้นไปหักกิ่งหักแยงกุ้งกัดเอาหมีน่ะตอนหลังควานกันกากับกากับไปนกเขาเหมือนกันไอ้นกเขาหนุนกลกคืนกาไม่เปิดกลางวันถึงี้ถ้าว่าเมื่อใดในากาพปไปเจอนกเขากลางวันที่มันอยู่ในที่พักก็กาจไล่จีบนกเขา้กกเขา แกไม่มีที่ที่จะอยู่เพราะว่ากลางคืนนตาของเขาไม่เค ย, ยียืดตามืดอีนั้นถ้ากลางคืนอ่ะเมื่อไหรไปกลางคืนกามไปนกเข้าไปเห็นกามอยู่ที่ไหนก็ไล่จิกกากาก็เดือดร้อนอันนี้ผูกเวรผูกกรรมเสียแต่ไห น, นกันแ <c oughs> ต่ก่อนนั้นมาแล้วเนี่ยยิงไว้จบทีน่นระเดียวซอนยิงทั้งสองนั้นวันนางเยสินิน ได้เป็นพระโสดาบันจบพระโสดาบันเกิดสรดสังเวชแก้ตัวเองว่าบริเวณมีการมาสาเร็จเป็นพระโสดาบันพอสาเร็จพระโสดาบันท่านั้น่ะร้องให้อขึ้นมามอย่าเอาล้องให้ทำไมที่นี่เราเมื่อก่อนข้าพวงหากินไม่เลือกทางเลยอะไรไมมีบนตัว ข, ขอกินนักก็เอามาทั้งนั้นแต่ขณะนี้ ในบ้านหลวงมคนเป็นพระอะไรบุคลอย่างนี้จะไปหา ก, กินได้ยังไงอย่าเออไมไ่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือก็บอกอากุลสิดาตั้งแต่นี้เธอจงนำนางสิรินไปเลี้ยงนะให้ข้าวให้น้ำให้เลี้ยงดูเหมือนกับเลี้ยงดูพี่พี่น้องๆเราเล้วกันก็ไปนั่งกุลสิดาก็ไปปลูกบ้านน้อยไว้ คอยหลังบ้านนี่ๆใกล้ทุงนาดาวข้าวปลาอาหารไปส่งทุกเช้าทุกคำ่ำก็เลยเป็นประเพณีมานี้เขาเป็นผีตาแหกกันนะนชาวไร่ชาวนาเขาจะทํานาเ ม, มาื่อไใดก็กไปปลูกกระต๊อบเป็นผีผีตาแหกนาะเลี้ยงผีตาแหกกเอานางหญิงจีนีก็เลยเป็นานางเป็นีตาแหกแต่วันผีตาแหกยกักษ์จีนีมันดีมันทำบูตทคุณแก่นางคนที่ดีละ องเรบอกก็เออปีนี้นะฝนดีให้เธอไปทํานาที่ที่ที่ดอนอย่าไปทํานาที่รุ่มพอน้ําจะไม่น้ําจะไม่ท่วมถ้าน้ำเท่าที่ดอนนะน้ํามันพอดีแต่ที่ดอนนะน้ําท่วมถ้าปีไดฝนมันดีบอกก็เอาปีนี้ทำนาที่รุ่มเลยก็แล้วกันนางกุลีดายก็ทําตามคําสั่งของของ ยายยักษีนีก็ได้ผลดีทุกปีทุกปีกประชาชนก็เลยเอ้ยเธอรู้เรื่องว่าผลดีไมด่ดีจึงทำนาหรือเล่าให้ฟังข้าพเจ้านะเลี้ยงนางยิสินีไว้นี่ตั้งแต่นั้นมาพวกประชาชนทั้งหลายก็เลยเป็นนับถือนับถือนางยิสินีเอาข่าวปลาอาหารไปเลี้ยงนางยิสินีอยู่บ่อยๆก็เลยนางยิสินีตัวนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นผีจะแหกตอดมาถึงขนาดนี้ อันนี้ว่าถึงเรื่องเวรกรรมให้ฟังเวรกรรมมันตามสนองเมือ่อเธอผู่ดีทั้งหลายทสานสอนอย่างพุทธเจ้าได้แก้ให้นางยศนีกับนางกุรีดานะ่ะคนเวรกรรมซึ่งกันแกันเขจะจบเวรกรรมแค่นั้นทีนี้ว่าคนถึงเราคนธรรมดาเนี่ยถ้ามันมีเวรมีกรรมต่อกันถ้าขออาโหสิกรรมต่อกันแล้วก็ลังอภัยกันเหมือ น, น, มนหลักการในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าทําเป็นตัวอย่าง สอนพิกษุนทั้งหลายนะให้ทาทาคือก่อนข้าวรษาและออกพรรษาน่เป็นและดูการที่แสดงความคารวะต่อผู้ใหญ่เมือก่อนเข้าวรษาพระพิกูุนทั้งหลายอยู่รอบนอกนอกพระองค์ไหนที่เป็นอาโวุโสเป็นผู้ใหญ่ เขาจะหลังไหลเอาดอกไม้ทุ่เพี้ยนเครื่องสักการะไปไปเพื่อขอคารวะกับผู้ใหญ่นั้นแท้คำถ้าผู้ใหญ่ก็ว่าเทเลประมาเทเลประมาเดียถ้าผู้ใหญ่ยริงมหาเทเลถ้าธรรมดาก็อาจารยเยถต่ว่าวธรรมดาอายสมมัมมิขอคารวะก่อนะมัอันนี้มันหมายความว่าท่านเหล่านั้นเป็นมีเวรกับท่านผู้เป็นใหญ่ไม่ใช่เงน นี่ท่านสอนให้เป็นตัวอย่างอคนมีปกติอ่อนน้อมให้ปกติรู้จักให้อภัยแลรู้จักขอโทษแล้รู้จักให้อภัยคนเราเนี่ยโดยมากไม่ยอมไม่ยอมรับโทษถ้าตัวเองผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดแต่ถึงมันมีปกติให้รู้จักผิดว่ามุตัวเองผิดยอมรับผิดยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทผิดไปถ้าว่ายอมรับผิดแล้วก็เป็นการลัะกับโทษตัวเองแล้ว ที่ที่ได้ยอมแล้วว่าก็ผิดแล้วเขาก็เมยอาคารมาหลายต่อไปอันนี้หลักเวรกรรมอีนี้หลักเวรกรรมอันที่เราไม่ได้สร้างในธรรมท่าไม่มีผู้ดีมาแก้ไขให้แล้วมันก็จะติดต า, างงันแต่ว่าหลักการทางพุทธศาสนาแล้วพุทธเจะสอนเมื่อมันไม่ดีอย่างนั้นเราก็ต้องแก้เราแก้จิตใจเราโดยหลักที่พุทธเจะสอนว่าผู้ใดปฏิทุสลายต่อ ตอบุคคลผู้ไม่ปฏิสลายบุคคลนั้นย่อมได้รับผลทันตาเห็นนั่นแหละไม่ปฏิสลายนะไปปฏิสลายต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีเวร ม, มีใครกับใค ร, ใครไม่มีบาอะไรอย่งนั้นบุคคลผู้นั้นจะได้รับผลในขณะที่กระทํานั่นเลยก็ตัวอย่างกระพระโมคล า, านะนะ่ะโมคะลาน่ะนะซึ่งเป็น อาคาสาวสาากสักกับสายของอววติเจา้าปลูกดิดาถีจ้างนักเลงไปจับท่านมาฆ่าปีนั้นพระจำภาษายอยู่ที่กาลสีลาหมู่จงกันทั้งหลายอากันไปไปที่ปุดวัดข้าเหนือเข้าไปกดตีจะไปจับทันทานรู้ตัวจักถอดหนีจักสองครั้ง ส, ง า, งสามครัง้ง พอถึงครั้งที่สามท่านก็รูตร้ตัวโอ้เ่านี้มันมีเวรกรรมตามสนองม่ะขาเลยปล่อยให้โยนนั้นทําไปตามชอใจมาถึงว่าเมื่อก่อนโน่ตั้งแต่สร้างบนสร้างก ร, ร ม, มาเดินไม่เคยฆ่าไม่ใช่ฆ่ากุแต่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อตัวเองด้วยฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่ตาบอดเขาถูกเมียอายุก็เลยเชื่อเมียก็เลยเอาพ่อแม่ตัวไปปล่อย ไปปล่อยไว้นะดวงเะแล้วก็จะทผ้าเป็นโจรอย่างไม่ปลูกค่าทบปลูกตีพ่อแม่ตัวเองทเทเวงกันนั้นั่นไปตกทนรกหมวกไหมโค้นจากนรกลง ม, มาเป็นเปรตแล้วก็มาเป็นมนุษย์เป็นมนุษนนย์โดยจะ้างความดีแต่ราชาเจ้าช า, าชาติต้องปูกค่าอยู่อย่างนั้นนะไม่จบสิ้นเลยมาถึงทาเป็นพระอรหันต์เป็นพระมวกกานะยังถูกค่าอีก ทั้งๆ ท, ที่เป็นอาแาแทนที่จะพ้นเวรแต่แต่ว่าอันนี้เป็นพ้นเวรกรรมทางด้านจิตใจอย่างเดียวกายมันยังไม่พ้นใจนับคนได้แล้วพ้นเวรพ้นกรรมได้แล้วแต่ว่ากายัอย่างมีเศษวิบากของกรรมนั้นมีอยู่ที่กายนี้กายนี้จึงต้องถูกฆ่าอยู่ดีทั้นนั้นดังนั้นโมฆราั้นต้องถูกฆ่าเพราะเวรกรรมที่เคยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ติดมา ทีในเมื่อหมูจงนจับมอกลาน่า ไ, ไปจับได้แล้วก็ไปเอาพค้อนตีจนแหลกแหลวหมดเลยครั้งแรกกับพระเจ้าพระเศสนิโกฎุลสั่งให้คนสอดแทมไปหาจับคนสอดแทน ก, ก็จับไอ้พวกเดรัจถีได้พวกเดรัจถีมันจ้างนักเลงครั้งแรกก็จับนักเลงนักเลงนะมันพอได้ค่าแล้วก็ไปได้เงินได้เองรู้หรือว่ามั้ง ใครโมกขาั้านะักใครเป็นใครทุบแคตีอะหมอเออหาสิวะเที่ยงไปเถียงมาเจ้านาที่เขาก็รู้ว่าหมอห ม, หมูคนหมู่นี่นะี่ยมันไปฆ่าโมกขาระเอ า, าไว้จับไอ้โจรโจรก็โจรห้าร้อยซะด้วยแต่มวกคงเกี่ถึงห้าร้อยแต่ท่านใช้คําว่าห้าร้อยคงจะหมายถึงโจรทั่วร้ายนะแล้วก็ดีแล้วถีเดี๋ยรับจ้างเดีแล้วถีดีแลยรัตถีเดีแล้วถีก็ห้าร้อยอีก พระเจ้าปิดเสียงที่โกศก็สั่งให้จับจงลห้าร้อยสั่งให้จับจับเดรธีจับเดรธีเอาไว้ไว้ที่สนามหลวงอ่ะมัดไว้ที่สนามหลวงแล้วก็เอาเอาเปลวมาคุมคุมหัวโจนกับพวกเดรธนะีเอาน้ำมันราดแล้วก็ไฟจุดเอ๋อ ออกไปจุดไว้ก็ไหม้บนตังห้องไหม้หัวคันคางร้องโหยโวยโหยโหยยหยต่ยางๆเดแล้วใช้ให้เราจบุตรใช้สายเหล็ไกไายกบเขาอีกนะทําโทษพวกเรานนั้เหลี่ยมพฏิยานติตรัสกสิเโลคนใดปัตถุสลายต่อท่านที่ไม่ปัตถุสลายยอมได้รับผลเวบากรรมตามตามใจนั้นๆคือที่ว่าว่าเปัตถุสลายพระโมกขารนะท่านเป็นพระอรหันต์ ท่านจะไปประทุสลายใครอ่ะจก่พท่านบริสุทธิ์แต่พวกเดชถีพวกนั้นไปประทุสล้ายท่านไปฆ่าท่านไปทำลายท่านผลที่ทำนั้นก็นย้อนมาเสีตัวเองท่านตาเห็นนั่นเลยได้รับอย่างนั้นเลยอันนี้เฉพาะอรหรันต์ภายนาสุอรหรรันต์ภายนาสุ ป, รรส ป, ปจะโกิดใครที่เราว่าทำงานจน ต่อธรรมดาธรรมดาอย่างว่าเรื่องโกรธเลยนะถ้าเราเขาโกรธเราเขาดา่ากูไฟเราด่าแต่ว่าเราไม่โกรธเขาเรายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ตจก่อนสิ่งนั้นมันจะใส่ย้อนสะท้อนไปใส่บุคคลทุกําลังโกรธฟูนไฟแ น, น่นอนทีแต่โดยมากาเรามึงโกรธกูกูโกรธมึงมึงดา่ากูกูด่ามึงมันสะท้อนไปมันจึงดูผลยากแต่ว่าถ้าผูา้ใดเขาโกรธแล้วเราไม่โกรธตอบนะ มีเมตตาต่อได้แนะจะรู้ผลทันทีว่าคนบางคนผู้ที่ประตูส้ายคาอยานอื่ น, นอย่างนั้นได้รับผลอย่างไหนจะรู้แต่ว่าถ้าว่ามันต่อตการตะกูดอกคูมึงต่อมึงมันก็ได้ผลคือฝามือกับฝามือต่อกันมันก็ต้องดังสองข้างแต่ว่าบางคนถ้าว่าต่อบริฝ่ายเดียวมันไม่ดังหรอกแต่นี่มันเลยดังมันกระทะกันทั้งสองกันเลยเดืดร้อนนะดังนั้นเรา มาสร้างมวลสร้างกุศลทางศาสนานี้พวกเรานํามาปชำระใจคือชำระใจเขาเราให้บริสุทธิต์ตามหลักคําสอนทุกทีเจ้าที่สอนไว้ Why? ว่าจิตเตสร้างกริเททุกขติปฏิกัรคาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วมีทุกขติเป็นที่ไปจิตเตสร้างกริเทสุ ข, ขติปฏิกัรคา เมื่อจิตผ่องใสและมีสุขติเป็นที่ไปนี่คือหราบาสร้างบางสร้างกุศลเท่าไหรเราทําใจของเราให้บริสุทธิ์อย่าให้ใจของเราเศร้าหมองให้ใจเขาเราป่องป่องขเมื่อใจของเราไม่เศร้าหมองนั่นใจของเราเป็นสุขติถ้าเราใจของพวกเราเนี่ยมันยังไว้ถึงนิพพานก็ได้แต่เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดสวรรค์ไม่ธรรมดา ขอได้บริสุทธิ์สะอาดโดยไม่มีกินลก็นิพพานได้แต่ว่าถ้าของข้าวกระตวยหลงเหลือนะให้ใจเดือดร้อนให้ใจส้ามองทำทุจริตทำที่ไม่ดีไม่นางเอา่ะก็จะเป็นเหตุให้ได้ทุกข์ทีแล้วเทียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระศาสนาไม่เพียนพยายามที่จะสร้างดีให้เกิดไม่เพียงพยายามที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์สะอาด เราจะไม่ต้องสร้างใจตั้เราบริสุทธิ์สะอาดด้วยการไหว้พระสดุดมุนังภาวนามันเป็นทางชำระใจใสะอาดมันก็จะเป็นทางให้เรามีที่พึ่งทางใจอ่านี่อกตติธรรมที่นำมาสอนให้ท่านทั้งหลายตรงอากันปรับตัวในการเอาเพื่อปฏิบัติต่อไปก็ให้มอสองันในเวลาเอวังก็มีด้วยประการหลนีด